ถ้าจะ 20 พฤษภาคม 2534 ถ้าฟังเสียงแล้ว 20 จะไม่ครบแต่ พ.ศ. 2520 ขอโทษ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ตอนนั้นอยู่ที่วัดปักขอมมะขำเฒ่าเพราะตั้งใจไปช่วยพระครูอิศรชัยยคุณ 2 ปีแล้ว ที่ตรงนั้นบรรดาท่านพระภิกษุทั้ง 1,000 บาทก็ 2 ด้านด้านที่ตะวันออกของ ท่านเจ้าของพี่แต่ไม่ใช่ไม่ 2 พัฒนาเจริญกรรมฐานแบบเบสิกไอ้คําว่าเบสิก 40 มาก่อน ก็เลยท่านคิดเคยว่าเป็นกรรมฐานคุณะเบื่อ <c oughs> เพราะว่าจีวรศีลหลักเป็นนิยามของ ของใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสสนาญาณกันนี้เป็นต้นแล้ว ก็มีความจําเป็นอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าท่านไปปฏิบัติเป็นได้ท่านมีแต่ เวลาตอนกลางวันต้องหวงข้าวกินทําอาหารเสริมก็รู้สึกสดชื่นก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพฯถ้าต้องหวงอาหารกินในเวลาสงครามก็ เมื่อมาพัดก็ได้ 2-3 วัยก็รับอาสาว่าจะขอไปบิณฑบาตด้วยก็ผืนการบิณฑบาตของวัดนั้นมี 2 สายคือสายใต้กับสายเหนือคือสายเหนือคือตลาดทิศสวรรค์นั้นก็สายใต้ตอนแรกก็ไปตลาดสายใต้ก่อนในตอนแรกวัน เดินทางเดินทางเสธีจังหวัดชัยนาท ยังงั้นยังไม่พอเต็มวัน 2 เลยให้เด็กนําบินโต 4 เถาะปรากฏว่าบินโต 4 3 ให้เด็ก 2 เถาะเป็นหว่า 3 บินโต ต้องขอยืมเข้ามาอีกทั้งนี้เพราะอะไรบรรดาสรรพบริษัททั้งหลายท่านถามว่าได้อานุภาพอะไรก็ต้องขอตอบว่าอานุภาพของพุทธานุภาพคืออานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่อาตมาเป็นพระอริยสงฆ์อย่าเข้าใจผิดบางคนมาเรียกว่ามาเรียกว่าท่านเป็นพระอริยะเจ้าบ้างท่านเป็นพระอรหันต์บ้างท่านเป็นพระ อันนี้ไม่ถูกทั้งหมดแต่พระบาองค์ก็บัญญัติก่อนว่ามหาวิระไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นพระ มีความรู้สึกเต็มเปิงว่าเราก็คือสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยตั้ง 10 ประการแค่ 10 ประการว่ามันจะครบหรือไม่ครบ 7 วัน ก็พระกรตลาด 7 วันก็มีสภาพตามเดิมคือได้กับ ว่าปาย 2 เถาเพียงว่า 16 เถาต่อ 1 วันพระหรือกินหรือใช้ในที่จังหวัดชัยนาทก็มีโรงเรียนมัธยมชายโรงเรียนมัธยมหญิง <c oughs> ไปขั้นแรกเคยมาหาก็ไปถาม 60% <c oughs> ไม่อย่างนั้นก็ 50% เด็กตกมากดีแล้วต้องหาทางหาทางให้เด็กเรียนให้ดีให้ได้ทางที่ให้ <c oughs>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 สติสัมปชัญญะก็ดีมากแต่ถึงว่า แกนอนให้ดึกถ้ารู้สึกว่า 2 คือวันเสาร์เป็น 3 การเคารพบิดามารดามี ถ้าเธอถามว่าถ้าก่อนจะสอบจะมารับตํารมได้มั้ย นออยู่ในแม้ก็อบรมสดระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 พอฝันได้ว่ามีพระ <c oughs> ท่านก็บอกว่าปีนี้เค้าจะออกภาค 3 มงคลมงคลธิติมงคลฤทธินีเค้าจะออกภาค 3 ท่านก็เลยบอกคาถาให้ว่าศาสนเนโตเทวินโททิปติ ว่าสถาปัตย 3 จบสงสัยก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ดูข้อสอบแล้วตอบได้หมดมั้ยแล้วถ้า 7 จบสงสัยก็ได้ขึ้นมาถ้าคราวนี้ไม่ต้องดูๆก็ปรากฏว่าเวลาเค้าสอบ มีพระองค์หนึ่งท่านเห็นต่อยะนัสเธอบอก แต่ว่าค่อยๆค่อยๆส่งยนัตให้แต 15 นาทีแล้วก็นําไป เวลานั้นเป็นยะคุณสัจจมุนีเป็นคุณท่าน 15 นาทีถึงกับแปลกใจเราคิดว่าท่านคงคิดว่า ชวนชั้นน้ําร้อนนิดหน่อยท่านบอกเข้าเข้าไปห้องเข้าห้องใหม่สิ <c oughs> แล้วเมื่อประกาศผลการสอบประกาศข้อประกาศกับประกาศขึ้นมาประกโรปีนั้น <c oughs> เป็นนอกเวลาทักพักเวลาเที่ยงเถิดก็ไปกัน ik ben in in de Kongres. Ik ben in de Kongres. Ik ben in de Kongres. Ik in de Kongres. Ik ben in in de in de Kongres. Ik ben de Kongres. Ik de Ik in de tang, je er een vanweeg ver incarcerated fiindling maar er blijft de objectief mogelijk door. Om iedereen moet nieuwe mytholever nemen niet proud. Er als abouteerd die ngelden zijn. 100% zeer televisie zijn vanuit het peren-viraal zoals ze waren. Maar in warm-onge, hoeveel een praat in de แต่คนที่เข้ารับฟังเขาไปความเขาเคยมาก็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 maar พ่อแม่ทั้งหลายก็เลยพามาทําบุญที่วัดนี้สังฆาคนก็บอกว่าท่านฉันยก ก็ลงความว่าปีต่อๆมาทุกปีนักเรียนไม่มีฉันเลี้ยงมันมาฉันสอนมันใหม่มันไม่ยอมรับฟังมันไม่ยอมเชื่อทําเรื่องอะไรล่ะเขาบอกว่าเวลาบางทีจะชวน Hoi Tio Dajevak, Kulman Sau, Hamburg, Duk. Kulman was hier Hamburg. Hit nu, Hitio Dajevak, Kulman Sau, Duk ik gewoon gaan, Hegar Jan Donosé, Tego Donosé, Hamburg, อันนี้ก็เป็นผลมา de Nibra, mijn mijg, dat heb ik, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg. Hij je Rakman, kan je Rakman, je hebt, mijn mijg, mijn mijg. Rakman, je hebt, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, heeft mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, een mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn mijg, mijn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 ตอนที่ 9 แรกหรือก่อนจะก้าวออกเดินทางเค้านึกถึงอิติปิโสตลอดหมดทั้งจบนึกตลอดไปทั้งเวลาตลอดเวลาเป็นอาบัติเวลาเค้าใส่บาตรก็มีความรู้สึก ถวายข้าวพระก่อนแล้วก็นึกถึงอย่าง ก็มีความประโยชน์เพราะว่ากระผมมีการเข้าตัวขึ้นมากอาศัยที่มีคนเคารพ <c oughs> พระภาสีกรเป็นเป็นสัญลักษณ์พระเจริญกรรมฐานแต่ว่าจิตใจของเราไม่สามารถทรงภูมิมิหาร 4 ได้แล้วก็ไม่สามารถจะระงับอคติ 4 ได้ก็ไม่ควรองค์ภาสีกรผมภาสีถึงถึงเป็นพระธรรมดาธรรมดาดีกว่าถ้าการองค์ภาสีกรไปการแสดงออก <c oughs> มันจะเป็นประเพณีไปแล้วก็ไม่ว่ากัน เอ่อล่ะนั้นพระครู hij is ja, maar.. hmm. Иen, allá, een mooi jammer en daarna in de zaak van de een in de kosten is hij verdwenen hij heeft in een in de kroon van de zon hier tot deel van de eerste maand heeft hij de rente ontvangen als hij de rente ontvangen als ในขณะที่อยู่วัดท่าสูงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นวันไหว้ครูพระครูวิชาญเจริญก็นิมนต์พระไปหลายวัดมีพระอรุณอรุณโนเจ้าอาวาสวัดท่าสูงไปด้วยและเมื่อเธอไปพบเข้าสึกกชนฮะมาอยู่ที่ เธอก็ดินหมดอีกครั้งหนึ่งอาตมาก็ไม่รับถ้าต่อมาไปอาตมาย้ายไปอยู่สะพานเวลานั้นท่านพลอากาศอีกอาทรรุจนะปัญญาถ้าคุณถ้าคุณอาลัยลวาลีพิมพาพิมพานั่งอยู่ที่หลายคนและพระแสวงด้วยท่านไปขอรับรองว่าจะให้สะดวกทุก พยายามช่วยในการก่อสร้างก็แล้วกันในที่สุดที่ท่านก็ we hebben wat challenge, we hebben wat challenge, wat challenge, we hebben wat wat challenge, we wat challenge, we hebben wat challenge, wat challenge, we hebben wat challenge, we hebben wat de we wat challenge, we hebben wat challenge, we wat challenge, wat we วันนี้เดินเที่ยงไปก่อนท่านเคยบอกว่าเธอเคยเป็นน้องหุ้นฉันเธอเคยทําวัดนี้เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว 2 สมัยในชาติก่อนๆ ภาพมาดูก็ปรากฏกันเหมือนภาคครับวินาทีนี้ตัวเองก็ยังจะเอาไม่เคยรอดถ้าบอกว่าถ้าเราช่วยกันได้อย่างหนึ่งผมจะช่วยถ้าผมจะ วันที่มาดูวัดสิริรัตน์ปัญญาพลนกตเอกอาธรโลชนวิภาคมาด้วยก็ เพราะมากเต็มเกลื่อนบริเวณวัดเรียกว่าทั้งวัดเต็มมี นกวิธมาก็บองเห็นพารก่อนรักคาผลูกเหล่าจากจะด้านคะมมมมันจะพักฐานสันลายก็โยกจะไล้ม five of ไม่มีอะไรจะดีเลย h ojos พรุ ถ้าไปชวนมาก็ยอมมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมี